เมื่อคืนฝนตกหนักนะหนักถึงหนักมากนะลมก็แรงแล้วคนที่นอนเต้นคนงะจะนอนลำบากนะอาจจะนอนไม่หลับเลยได้ซ้ำนะพอน้ำซึมเข้ามาก็จะถือว่าเป็นเคราะห์นะให้ถือว่าเป็น บททดสอบของพวกเราก่อนที่พวกเราหลายคนนะจะได้กลับไปสู่ภูมิลำเนากลับบ้านเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนะแบบเข้มข้นก็ครบ40วปันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่จะได้อยู่วัด เพื่อปฏิบัติบททดสอบนี้ก็ถือว่าคู่ควรนะกับพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ได้ปฏิบัติทำกันมาหลายวันก็ควรจะเอาวิชาความรู้เอาประสบการณ์นี่มาใช้นะเพื่อจะได้ ผ่านบททดสอบนี้ได้เป็นโอกาสนะที่เราจะได้ไมันมาดูใจของเราเวลาฝนตกเวลาเจอเหต <_ pag>. ุการณ์ทํานองนี้นี่เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่าเห็นความกังวลความวิตกหรือความกลัวที่เกิดขึ้น รวมทั้งความหงุดหงิดนะที่แทรกเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ถือว่าสอบตกนะเมื่อเห็นแล้วนะสามารถที่จะวางใจเป็นปกติได้อ่ะมันตกก็ตกไปนะแต่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมนอนไม่หลับนะก็เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์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 อายุรกรรมนะมันก็หมายถึงความเสื่อมลาบนะเสื่อมยศหรือว่าคำติชินนินทาหรือความทุกขนะ์นที่มันพัดเข้ามากระนำชีวิตจิตใจของเราถ้าเราได้ ฝึกใจไว้ดีนะฉลาดที่จะกลับมาดูใจของเรานะเวลาเจอสิ่งภายนอกมากระทบนะเราก็จะผ่านมันไปได้ได้วยดีแล้วเราก็จะฉะลาดขึ้นเราก็จ ะ, ะแกล่งกล้าขึ้นนะเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายนี่นะมันล้วนแล้วแต่ มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้เมื่อพวกเราได้ปฏิบัติจนจบคอร์สกลับไปสู่โลกภายนอกก็คงจะมีอะไรต่างๆมากมาย ที่ทำให้เราไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างสงบอย่างสบายหรืออย่างอิสระเหมือนอยู่ที่นี่ได้นะพอชีดภายนอกมันก็เร่งรีบรุงรังด้วยภาระและมีอารมณ์ต่างๆมากระทบ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 โดยเพราะในการมารู้เท่าทันนะความคิดจิตใจหรืออารมณ์ของเรายิ่งถ้าเป็นกิจกรรมหรืออไรไลบทที่มีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วนี่นะเราก็สามารถใช้นะในการรู้กายหรือว่ารู้สึกก็ได้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 ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ว่าถึงจะปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในห้องพระอยู่ก็เดยิ้งถึงจะปฏิบัติได้ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนไม่ว่าทำอะไรก็ตามเราต้องรู้จักช่วยโอกาสนะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสตินี่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 ให้ได้ยิงกับหูทั้งหมดนี้ก็อย่าอย่าปล่อยใจให้ทุกข์นะอย่าปล่อยใจให้หัวเสียหงุดหงิด ต, ต้องรู้จักเอามาใช้นะในการฝึกสติของเราใช้โอกาสเหล่านี้แหละมามาดูใจใจเป็นอย่างไร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 เห็นสัญญาณไฟแดงนะไม่หุดหมิดเลยนะถือว่าเขามาเตือนให้เราหยุดพุ้งซ่านให้เราหยุดส่งจิตออกนอกกลับมาตามลมหายใจกลับมารู้กายที่กำลังคลึงนิ้วเบาๆหรือว่าเห็นจิตที่กำลังกระเพื่อมหดมิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบ้าน ให้เราได้ฝึกสติแล้วมันมีการบ้านอย่างนี้ให้เราฝึกอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ในบทธรรมดาธรรมดากินข้าวอาบน้ำซักผ้ากวาดบ้านพวกนี้ยิ่งมีประโยชน์เข้าไปใหญ่างช่วยให้เราสร้างความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้ อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าเราต้องรู้จักมองย้อนสอนบ้างอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกแต่กลับเข้ามาดูรูปกายและใจของเราอย่างต่อเนื่องนักปฏิบัติที่ฉลาดก็จะรู้จักชวยโอกาสแล้วก็รู้จักหาประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ทุกกิจกรรม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 ผู้ใดก็ตามที่รู้จักหาประโยชน์ทั้งจากอิทธารมและอนิฐารมบุคคลเช่นนี้แหละนะที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตอิทธารมก็หมายถึงการเห็นการได้ยินหรือการได้มาซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจ จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามอา น, นิถารมก็ได้แก่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือได้มาซึ่งอารมณ์นั้นเช่นได้ลาบได้ยศได้สได้สุขได้สารเสริมทั้งอิารมอ น, นิถารมนี้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 ใครชมเราแล้วก็ปลืม้มนะปลื้มแล้วก็เลยหลงตัวลืมต้วว่าชั้นเก่งชั้นแน่อันนี้ก็นำไปสู่ความประมาทได้หรือว่าถูกตำหนือถูกต่อว่าก็าเกิดความขุ่นเคืองชุนเชียวแทนที่จะนำคำพูดเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อมีใครต่อว่ามีใครว่ากล่าวหรือเมื่อประสบความเสื่อมนะก็ปาราบสิ่งเหล่านั้นใคร่ควรสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้สร้างความดีหรือว่าสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นนะคำว่ากระตุ้นเร่งเร้านี้ท่านใช้คำว่าสังเวสสังเวคะหรือสังเวชะ นะไม่ใช่สโลตูนไม่ใช่เศร้าหมองแต่ว่าเพื่อเกิดความตื่นตัวรู้สึกต้องเร่งร้วอะไรที่เขาพูดแล้วมันถูกต้องเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะอันนี้เรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์นะจากอนิถารมตนฉลาเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าพอใจนะ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 อารมณ์ที่น่าพอใจนี่มันก็สามารถจะโน้มนำจิตให้เกิดราคะขึ้นได้เกิดความยึดติดขึ้นได้แต่ถ้าผู้ชลาผู้ที่เป็นบัณฑิตนะเมื่อเจออิทธารลมเจอโลกลดเปลีเสียงที่น่าพอใจหรือที่น่ายินดีนอกจากจะรู้ท่าทานความยินดีนั้นแล้วนะยังสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้ อย่างพระนักสมาเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งท่านเดินบิธบาทในเมืองก็มีขบวนฟ้อนรำขบวนใหญ่และท่านก็เหลือไปเห็นหญิงสาวที่กำลังฟ้อนรำประดับประดาด้วยเครื่องหอมนะด้วยอั ญ, ญมณีแล้วก็รำฟ้อนอย่างสวยงามขณะนั้นก็เห็น ใบหน้าคุหญิงสาวแล้วเห็นเห็นฟันที่เธอยิ้มในขณะที่เธอยิ้มแทนที่พระนาสมาจะเกิดราคะนะท่านมีสตินะท่านก็เห็นกลับมองเห็นว่านี่แหละนะคือบ่วงของมานที่มันล่อให้เราหลงไหลแล้วก็ติดยึดส่วนเกิดทุกข์ขึ้นมา ท่านเห็นรอยยิ้มของหญิงสาแท่านกลับเห็นโทษของสังขารในช่วงขณะนั้นเองนะใจท่านก็ปล่อยวางเห็นว่าสังขารเป็นโทษเป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางกิจก็หลุดพ้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างยิ่งนะในการหาประโยชน์จากอิทธิารมณ์แทนที่จะปล่อยใจให้เกิดราคะเกิดตัญหานะท่านกลับเกิดปัญญา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 นะรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในนะก็ล้วนแล้แต่เป็นธรรมะนะจะเป็นอิทธารมอณิธารมจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นล้วนแล้แต่ล้วนแล้แต่เป็นธรรมะหรือสอนทำให้กับเราได้นะสอนอะไรนะสอนให้เห็น ความไม่เที่ยงความไม่จีรังสอนให้เห็นทุกนะสอนให้เห็นหนึ่งความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะของทุกสิ่งแล้วลองเปิดใจดูนะทุกสิ่งรอบตัวครับสอนธรรมะสอนไตรละให้กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมองหรือเปล่าแม้แต่ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเรานะ ก, ก็สอนทำให้กับเรานะสอนใ้เห็นความไม่เที่ยงสอนใ้เห็นถึงความเป็นทุกข์ที่มันติดมาประจำสังขารของเราเวลาเกิดเหตุที่ไม่ร่าพึงพอใจเกิดความสูญเสียนะงานการไม่ประสบความสำเร็จนะนั้นก็เป็นธรรมะนะ ก็สอนธรรมะให้กับเราเหมือนกันสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสอ น, น, นเห็นว่าทุกอย่างนันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมความสํเร็จก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมมีเหตุร้ายเข้ามาแทรกก็เกิดความล้มเหลวถ้าเราเข้าใจ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 สอนใจรักก็ดีนะสอนเรื่องโทษของความประมาทก็ดีหรือสามารถจะฝึกใจเราก็ด้วยก็ได้นะไม่ใช่แค่สอนแต่ฝึกเราด้วยฝึกให้เรามีสตินะเวลาเจอแดดร้อนอากาศหนาวฝนตกพังแฉะยุงกัดมแมลงรบกวนอ่าเาก็มาสอนให้เราดูใจว่าใจเราเป็นอย่างไร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 ไม่หยุดวอยวายสักทีเพียงแค่เราย้อนกลับมาถามตัวเองเช่นนี้เนี่ยมันก็ทําให้ได้สติขึ้นมานะมาแมลงมันจะบินวนรบกวนยังไงนะก็อย่าไปบ่นไปราคาญมันว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดบินหยุดลำหยุดรบกวนสักทีให้มีสติมาดูใจของเราก็จะเห็นว่าเราโง่ต่างหากนะที่ไปเรียกร้องให้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 นี่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูเวทนาดูเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรนดูเวทนาในเวทนาก็คือดูเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราดูเวทนามาดูยังไงเอาก็ลองฝึก ด, ดูใหม่ๆดูไม่เป็นก็จมเข้าไปในเวทนาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย แต่ต่อไปดูเป็นมันก็เห็นเวทนาโดยที่ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยตอนเกิดความปวดความเมื่อยใจมันเป็นอย่างไรใจมันโบน่นใจมันบวยวายใจมันผักสายใจมันหยุดหยิดเราเห็นไหมนะ น, นี่แหละคือโอกาสดีที่จะทําให้เราได้ฝึกนะฝึกทั้งเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็กายานุปัสสนาด้วยกายมันเป็นอย่างไรตอนที่มันปวดมันเมื่อยนะ บางทีมันตึงมันตึงบางทีหัวใจนะมันก็เต้นเร็วเพราะว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมันก็ส่งผลต่อจิตใจส่งส่งผลต่อร่างกายเราสามารถที่จะเจริญนะกา ย, ยนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเวทานุปัสสนาไดนะ้อย่างมากตก็สามอย่าง ในสถะที่ความปวดความเมื่อยได้เกิดขึ้นกับเราในสถาที่ถูกดุงกัดในสถาที่แดดแผดเผานี่แหละนะมันเป็นมันเป็นโอกาสนะที่เราจะใช้ประโยชนนะ์ใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช้ผัสสะที่เกิดขึ้นใช้ทุกอารมณ์ที่รับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมไทั้ทงใจด้วนะในการที่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 ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากมีรางเนามาจากกิเลสรวมทั้งความยึดติดนะเช่นยึดติดในสิ่งของยึดติดในหน้าตายึดติดในภาพลักษณ์หรือว่ายึดติดในความคิดเวลาทําอะไรผิดพลาดแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่พอใจนะรู้สึกกังวลนะ รู้สึกหัวเสียอ่าอันนั้นแหละเป็นเพราะว่าเราเป็นเพราะความยึดติดในในภาพลักษณ์ในหน้าตาแล้วบางทีเดินเดินอยู่ดีๆก็เกิดสะดุดขึ้นมาต่อหน้าธารกรํานันโอ้เสียเซลมากเลยไอความรู้สึกว่าเสียเซลนั่นแหละนะมันก็มาจากความยึดติดในหน้าตาภาพลักษณ์อยากให้คนเข้าเห็นเราในภาพลักษณ์ที่ดี แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันไอความไอกิเลส ต, ตัวนีนะ้รู้ว่ามันกิเลสมันกําลังหลังความเรากลัวเรารู้แล้วก็วางมันมันก็จบนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่อดีตนะไม่งุดไม่ทําให้มุดนิดไม่ทําให้หัวเสียเวลาใครต่อว่าติชิ้นนินพาแล้วเกิดความไม่พอใจร้อนรุ่มขึ้นมานั่นเป็นเพราะความยึด ต, ติดในตัวตน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 มันโฟมาก็คือทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักนะคร้ครวญความทุกข์นะเราก็จะเห็นตัวกิเลสนะที่มันชักยายอยู่เบื้องหลังเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ดีเแล้วก็เราไมได้รู้ว่าจะต้องจัดการกับกิเลสตัวนี้บางทีมันซุกซ่อนไม่เห็นนะซุกซ่อนไม่เห็นมีพระมีพระรูปหนึ่งในชาพฤทการเนี่ยคิดว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหรันต์ แล้วก็หลงคิดเช่นนี้ถึงหกสิบปีนะหลงเชื่อตัวเองพระรหันต์นี่ยถึงหกสิบปีเพราะว่าจิตใจสงบราบเรียบวันหนึ่งเข้าไปในป่าเจอช้างป่านี่ไล่ตกใจกลัวไอ้ตอนที่ตกใจกลัวนี่ทําให้รู้เลยนะว่าโอ้เราอย่างเป็นปุถุชนหลงผิดมาถึงหกสิบปีแล้วถ้าเป็นพระรหันต์นี่ไม่กลัวนะ เพราะว่าไม่มีตัวตนจะให้กลัวแล้วแต่ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยพราถูกช้างป่าไล่ทาให้ท่านเห็นเลยว่าโอ๊เรายังเป็นผูุ้ชนอยู่อันนี้ดูเหมือนเป็นข่าวร้ายนะข่าวร้ายว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ข้อดีคือทําให้รู้ว่าเนี่ยยังต้องฝึกฝนตนอละท่านก็ได้ประโยชน์นะได้เปลี่ยนจากความกลัวเพราะความกลัวทําให้เห็นกิเลสบางคนนี่ก็คิดว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมแล้ว ไปเห็นซากศพไปเห็นศพของหญิงสาวเกิดการมาราคาเรือกการมาราคาเนี่ยก็ได้เห็นก็ได้รู้แล้ววเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคาอยู่มีตัณหาอยู่ไม่ใช่อรหันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะก็ทำให้รุ้ยต้องจัดการากับกิเลสตัวนี้นั้นแต่เรา เวลาเราเจอทุกนี่เราต้องฉลาดนะฉลาดเรียกว่าฉลาดทุกก็ได้นะฉลาดทกุก็คือเอาทุกนี่มาไข่ครวญเพื่อจะได้เห็นกิเลส ข, ของตัวเองแล้วก็ได้หาทางจัดการจะทาไมฉลาดนะมันจะกลายเป็นคล่ําครวญแทน ทุกเน้นไม่ได้มีไว้แคลมครวญทุกมีไว้ใครครวนปัญหานี่ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มแตปัญหามีไว้ให้แก่จะจะแก้ได้ก็ต้องรู้สาเหตุซะก่อนปัญหาภายนอกก็สาเหตุหนึ่งปัญหาภายในคือความทุกข์ใจก็สาเหตุหนึ่งซึ่งก็นี้ไม่พ้นเรื่องกิเลสเรื่องความยึดติดแล้วก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราไปพิจารณานะว่าไหนๆเรามาปฏิบัติทําได้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 จเจริญก้าวหน้าสามารถจะใช้ทุกให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญาได้ก็ mm. ยุติท่า น, นี้นะครับพระ